เราอุตส่าตั้งใจใมจะรู้สึกตัวจะภาวนามันตั้งได้แป๊บเดียวดูออกไหมหลวงพ่อมานั่งดูพวกเราเข้าท่าอ้าวฝ่ายสละยังไม่ทันจะชมเลยนะเรียกดีแตกแตกระจาย เ, เรียนรู้ใจตัวเองนะ ดูใจของเราไปเรื่อยๆคนเราจะดีหรือชั่วอยู่ที่ใจจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจจะพลทุกข์ได้มาผลนิพพานก็อยู่ที่ใจนี่เองใจเป็นของดีของวิเศษประจำตัวเราไม่มีอะไรจะพาเราไปเกิดที่น้นที่นี่ได้มีแต่จิตน่เองจิตดวสุดท้ายเป็นยังไง จิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตใหม่ในพกใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเยอเหมือนกันครูบาอาจารย์บางทีท่า น, นก็สอนบอกว่าเราไปทําสงครามแตกหักกันนาทีสุดท้ายที่เราจะตายแล้วตอนจุดสุดท้ายที่จะตายนะจิตดวงสุดท้ายเขาเรียกว่าจุติจิตจุติจิตของเราเป็นแบบไหนนะ ปฏิสนธิจิตของเราก็เป็นแบบนั้นปฏิสนธิจิตคือจิตดวงแรกในชีวิตใหม่สุติจิตคือจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้นะในชีวิตเกา่าบางทีภาวนามานะดีมาตลอดเลยตอนจะตายไม่ดนะีดวงสุดท้ายพลาดก็ไปอาบายได้นะนะไปอาบายได้ เมื่อก่อนหลงพ่อเลี้ยงหมาไ้ตัวนึงเนี่ยเม่พอเริ่มหลวงพ่อเลี้ยงหมานะ่จิตพวกเราตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นในฉับพลันเลยรู้สึกไหมมีหมาด้วยหมาตัวนี้ไปเก็บมาจากจุฬานะก่อนเรียนงเรียนอยู่จุฬาเอามาเลี้ยงไว้มันเป็นหมาถือศีลไม่ทำร้ายสัตว์อื่ น, นแระทั้งแมวเข้ามาในบ้านมันก็ไม่ว่าอะไรนะมันมี ศีลไม่ขโมยอยากกินบางทีแม่ของหลวงพอ่อตากปลาไว้อะไรเงี้ยมันอยากกินนะน้ำลายยืดๆเลยนะแต่มันไม่เอามันไม่ขโมยติดนิสัยแบบพระต้องประเคนก่อนนี่ยังไม่ได้ประเคนกินไม่ได้แต่นี่เป็นหมาตัวเมียประพฤติผิดในกามหรือเปล่าไม่รู้ เขาไม่ได้เฝ้ามันนะข้อหนึ่งข้อสองเนะี่ยไม่มีไม่ขโมยไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่ทำร้ายใครนะไม่พูดเพ้อเจอเป็นมาที่ไม่เห่าพวกเราเพ้อเจอยิ่งกว่ามันอีกนะ mm hmm. เราพูดเรื่อยๆทางวัดเลยอันนี้ไม่พูดเงียบๆ เ, เ, เห่าไม่จจำเป็นจริงๆนะแสดง mm hmm. เซปริลิตเช่นมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาข้างบ้านต้องบอก พอฮาพอเรารู้แล้วก็เลิกนะมันก็รู้เนื้อรู้ตัวของมันไปมาตัวนี้ไม่กินเล้าไม่สูบบุหรี่นะงั้นอย่างน้อยสี่ห้าข้อเนี่ยหลวงพ่อรับรองมันได้สองข้อแรกสองข้อหลังข้อกลางไม่รู้มันไปยุ่งกับมาตัวผู้อื่นไอ้ตัวนั้นจะไปแต่งงานกับใครมาหรื อ, อยังเราไม่รู้หรอกนะนะแล้วมันใจดีนะ นอกจากถือศีลแล้วมันทำทานด้วยอย่าง mm. มีลูกแมวมาอะไรเงี้ยมันกำลังกินข้าวอยู่มันให้กินนะมันให้กินก่อนใจดีมากเลยหรือมันเลี้ยงลูกมันอยู่มีลูกหมามาให้กินนมเนะนี่ยรู้จักทำทานด้วยรู้จักถือศีลนะสมาธิเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะ mm. ไม่เห็นมันนั่งขัดสมาธิแบบพวกเราเลยนะแล้วไม่เห็นมันเดินจงกรม มันก็อยู่ของมันธรรมดาตอนมันจะตายจิตมันดีมากเลยนะมันรู้ตัวจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนอนอยู่หายใจรวยรินเห็นร่างกายกาลังจะตายจิตเป็นคนดูนะเนี่ยโอ้โหจิตมันดีมากเลยเราอยังนึกเลยว่าทำไมเธอพลาดมาเป็นหมาได้บ้างจิตดีซะขนาดนี้ ที่พลาดมาเพราะจิตดวงสุดท้ายในชาติก่อนนะเกิดไม่ดีขึ้นมาอากุศลทำงานขึ้นมานะก็เลยเกิดเป็นหมาขึ้นมาแต่ว่าเป็นหมาแล้วคุณงามความดีที่เคยทำมาทำทานถือศีลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หนีไปไหนนะถึงเวลาก็ให้ผลจิตตั้งมั่นมีสมาธิเห็นร่างกายตายจิตเป็นสมาธินะ งั้เราจะดีจะรอดตัวหรือไม่อยู่ที่จิตดวงสุดท้ายเนี่ยแต่จิตดวงสุดท้ายมันเกิดได้หลายอย่างนะอันนึงเรามีกรรมที่หนักเรียกว่ามีครุกรรมกรรมหนักๆนักหรืออ น, นัรรนะ น, ออ น, นตริยกรรมนะหนักสุดยอดทั้งดีและชั่วถ้าเรามีอนันตริยกรรมนะอนันตริยกรรมคือครุกรรมเนี่ยจะให้ผลก่อน จิตดวงสุดท้ายของเราจะเป็นไปตามกรรมตัวนี้พวกเราใครเคยค่าพ่อค่าแม่มาแล้วยกมือซื้อมีไหมไม่มีนะงั้นก็ตัดไปขาดอนันตริยกรรมไปสองตัวพวกเราทำให้สงแตกแยกไม่ได้พวกที่จะทำให้สงแตกแยกได้ต้องเป็นพระด้วยกันขลารวาสไปทำสงแตกแยกไม่ได้แค่ยุให้สงแตกแยกทำได้ นนเรากรอดตัวตัวนี้ไปอีกข้อหนึ่งเราเคยฆ่าพระอรหันต์ไหมถ้าเราไม่เคยฆ่าคนนะก็ไม่ไม่ไม่โดนเข้าหาฆ่าพระอรหันต์หรอกเราไม่ได้มีโอกาสทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนะเพราะว่ายุคนี้ท่านสิ้นไปแล้วนั่นอนันตรายกรรมฝ่ายชั่วของเราไม่มีนะเหลือแต่อั น, นตริยกรรมฝ่ายดีพวกเราคนไหนทรงฌานบ้างมีไหม ดีก็ไม่มีชั่วก็ไม่มีถ้าได้ทรงฌานนะได้มรรคได้ผลเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีนะพวกเนี้ยจะทำให้เราไปสุคติในจิตดวงสุดท้ายรวมความแล้วชั่วก็ไม่มีดีไม่ปรากฏนะต่อไปก็ใช้กรรมตัวต่อไปนะ ตัต่ไปเรียกว่าอาจินตกรมกรรมที่เคยชินการกระทําที่เคยชินใครเคยชินที่จะขี้บน่นยกมือต้องมีแน่นอนขี้บน่นนะใครขี้งุดหงิดเออชักเยอะนะ <c oughs> ใครขี้อิจฉายกมือสิไม่ต้องอายยกมือนะ คนไหนชี้งอนมัน้งขี้งอนบางคนมันยกทุกอย่างเลยเนี่ยที่พูดมาเนี่ยตระกูลโทสะตระกูลโทสะนะธรรมชาติของจิตเนี่ยมักจะไหลไปตามความเคยชินจิตเคยมีโทสะก็จะมีโทสะบ่อยจิตมีราคะก็จะมีราคะบ่อยถ้าเคยชินราคะก็จะมีราคะบ่อย ถ้าเคยชินกับโทสะแล้วเกิดจิตที่มีโทสะให้ผลขึ้นมาในขณะที่ตายเรามีสองช้อยให้เลือกเลือกเอาจะไปนรกหรือไปเป็นอสุรกายเอาตัวไหนดีไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าจิตเคยชินจิตเอาเราไม่เอาระวังนะจิตมันไม่ใช่ตัวเรา คนไหนคี่โลภบ้างเจออะไรก็อยากได้ตลอดนะพวกนี้ก็เตรียมไปเป็นเปรตนะไปเป็นเปรตเอาคนไหนมีศีลห้าเป็นประจำตั้งใจรักษามากที่สุดยกมือซินี่มีโอกาสเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ได้คนไหนเวลาจะทำชั่วแล้วรู้สึกระอายใจมีไหมเนี่ยไปเป็นเทวดาได้เรียกว่ามีเทวธรรมนะมีธีริตตปะ ชาญเนมะื่อกี้ถามแล้วไม่มีใครได้สักคนคงไม่ได้เป็นปลมแล้วนะไม่มีโอกาสไปเฝ้าโรงแรม <c oughs> ของเรานะดูถูกปลมมากเลยนะเอาไปเฝ้าโรงแรมเดี๋ยวนี้มีหมดนะพระคเนศพระนาลายตีมูลติเอาไปเฝ้าห้างเฝ้าอะไรนะงั้นถ้าเราไม่มีกรรมหนักนะ กรรมที่เคยชินจะให้ผลนะแล้วมันยังมีกรรมพิเศษอีกาหนึ่งเป็นกรรมปัจจุบันทันดวนในขณะที่กาลังจะตายยังเคยมีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อนายตุ้มหูเกลียงตุ้มหูเกลียงตุ้มหูที่ไม่มีลวดลายคนะนนี้พ่อขี้เหนียวมากพ่อรวยนะพ่อขี้เหนียว ลูกไม่สบายเนะี่ยไม่หาหมอเสียดายตังคนะ์เอาลูกไปตากแดดไว้หน้าบ้านให้ถูกแดดเผื่อจะได้หายหายป่วยลูกก็เจ็บหนักใกล้จะตายอนะนี้พระพุทธเจ้าท่านจะไปโปรดคนคนนี้ท่านรู้ว่ามีบารมีจะได้ธรรมะท่านก็เดินไป หน้าบ้านเขาบ้านนี้ไม่เคยใส่บาตรเพ่ อ, พอชี้เหนียวไม่ยอมให้ใส่ะลูกชายนอนหันหลังอยู่นะนอนไม่ได้มองหันหน้ามาทางถนนนะไม่เห็นพระพุทธเจ้า่ะพระพุทธเจ้าท่านแผ่พระรัศมีนะเนี่ยแผ่ออร่าออกไปออร่าท่านแรงนะแผ่ออกไปนะั้นเขาเห็นแสงวาบขึ้นมาเขาหันมาดูเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ จิตใจเกิดความปลื้มใจขึ้นมาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่องใสมีรัศมีตายในขณะนั้นอย่างนี้เรียกว่าตายด้วยกรรมชนิดที่เกิดขึ้นตอนจะตายอั น, นี้ของเราลําบากแล้วนะช่วงนี้พระพุทธเจ้าคงไม่มาแผ่พระรัศมีให้เราหรอกนะคงจะเป็นอย่างอื่นมากกว่ากําลังใกล้จะตายแล้วกําลังพุทธโธพุทธโธอยู่ดีๆนะลูกหลานมาแย่งมรดกกันต่อหน้าเราเนี่ย จิตดวงสุดท้ายเลวเลยย่าแย่ไปเกิดให้ผลตรงนี้มีสามชนิดแล้วนะกรรมที่หนักมากๆกรรมที่เคยชินกรรมที่เกิดตอนใกล้จะตายจะให้ผลถ้าไม่มีสามตัวนี้ก็ยังเกิดได้อีกยังเหลือกรรมอีกตัวเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆกรรมเล็กๆน้อยๆถ้าไม่มีกรรมหนักๆนะมันจะให้ผลแทน กรรมเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็คือกรรมที่เจตนาไม่สมบูรณ์อย่างเคยมีในพรานคนหนึ่งถือหอกเดินไปในป่านี้สวนทางกับพระพระท่านทูดงอยู่ในป่าท่านเห็นอคนนี้ถือหอกมาท่านก็หวาดเสียวกลัวไม่รู้มันเป็นโจรหรือเปล่าท่านก็หลบเข้าไปอยู่หลังพุ่มไม้ให้พรานนี้นะมัเห็นพระเดินมา แล้วอยู่ๆพระหายไปแล้วเลยคิดว่าพระเนี้ยคงจะกลัวว่ามันถือหอกนะก็เลยเอาหอกพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้สแสดงว่าไม่มีอาวุธแล้วนะนี่แฮนด์ฟรีนะไม่มีแล้ว <c oughs> เสียบเอาพระตายเลยรู้ว่าเป็นพระรู้ว่าพระมีชีวิตไม่ได้เจตนาจะให้พระตายมีการกระทำแล้วพระตาย องค์ประกอบของปาตานิบัติไม่ครบถ้ารู้ว่าเป็นสัตว์มีชีวิตต้องการให้มันตายลงมือกระทํามีเจตนาให้มันตายลงมือกระทําแล้วมันตายอันนี้ยองค์ประกอบครบรู้ว่าเป็นสัตว์รู้ว่ามีชีวิตอยากให้ตายลงมือกระทําแล้วตายองค์ประกอบหข้อครบอันนี้เป็นกรรมที่แรงสมบูรณ์คนนี้ขาดเจตนาไมไ่คิดจะฆ่าพระนะ ห อ, อกพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อจะให้พระสบายใจพระเลยบอกตู่สวยจริงๆเลยไม่ควรจะแอบมาอยู่ในพุ่มไม้เลยตัว น, นี้เป็นกรรมเล็กน้อยนะคือทีแรกรพระเย็บผ้าเริ่มต้นจากนี้ก่อ น, นแล้วไ่ทำตัวเรนตายเนี่ยไม่มีเจตนานแล้วเสร็จแล้วกรรมก็ให้ผลพระ นะก็ยังเป็นพระอยู่นะตัวเลนเนี้ยไปเป็นพรานแล้วมันไม่ได้เจตนาแทงเลยมาแทงถูกพระตายเนี่ยกรรมเล็กน้อยนะกรรมเล็กน้อยแล้วโอโหเลยทำตัวเลนตายเลยถูกแทงตายนะเนี่ยเล่ากลับข้างนะเล่ากลับข้างแต่รู้เรื่องอยังรเรื่องก็คือถ้าไม่มีกรรมหนักๆไม่มีกรรมที่คุ้นเคยไม่มีกรรมที่ให้ผลตอนตาย ที่เกิดขึ้นตอนตายแรงๆนะแล้วก็คำเล็กคำน้อยอย่างนี้จะให้ผลเช่นเคยไปเย็บผ้าถูกตัวเรนตายก็จะถูกเขาแทงตายคนะำเล็กน้อยให้ผลนะรู้สึกสยองนี้ว่าคำหนักให้ผลอีกเนาะ <c oughs> นะงั้นเราพยายามนะทากรรมดีให้ไว้กรรมดีจะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเราดีจิตจะดีถ้ามีสติ ถ้าจิตไม่มีสติจิตไม่ดีหรอกเพนะฉั้นพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลานะวิธีช่วยให้จิตมีสติอยู่ตลอดก็คือทํากรรมฐานแบบสักอย่างนึงพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วคอยรู้เท่าทันเวลาจิตมันหลงไปคิดพุทโธพุทโธหนีไปคิดละรู้ทันพุทโธใหม่ไม่ดึงจิตคืนเดี๋ ว, ว่ากลับมาพุทโธใหม่นะหนีอีกรู้อีกหนีอีกรู้อีกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพอจิต เคลื่อนไปนิดเดียวนะเห็นเองเห็นอัตโนมัติเลยอย่างหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะจิตเคลื่อนเนี่ยหลวงพ่อเห็นนะเคลื่อนนิดหนึ่งก็เห็นแล้วนี่พวกเราฝึกให้ชํานาญนะฝึกไปเไรื่อยๆสติได้เกิดบ่อยๆว่าสติเกิดแล้วเนี่ยอกุศลเกิดปุ๊บสติรู้ทันมันจะดับนะจิตก็จะเป็นกุศลจิตจะเคยชินกับกุศล เคยชินกับกุศลแล้วถ้าไม่มีอนานันตริยกรรมจิตมีอานจินกรรมเคยชินกับกุศลอยู่เรื่อยๆเวลาตายตายดีไม่ต้องกลัวถ้ายัางไม่ตายละบุญบา ร, รมีพอก็อาจจะได้มรรคผลนิพพานนะเป็นไปได้ค่อยๆฝึกเอาต่อไปสงวนบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่อยู่หลวงพ่อไม่อยู่นะไปแต่มืดเลยมรสการหลวงพ่อคะ่ะอเออมี สภาวะที่ฉัเรียนหลวงพ่อสามเรื่องอะคะ่ะเรื่องแรกคือปกติคือเราจะเห็นว่ากายเนี่ยคือเห็นบ่อยๆว่ากายนี่ไม่ใช่เราแล้วก็จิตเขาก็ทำงานได้เองแต่ว่ามันมีออสามสี่ครั้งซึ่งช่วงกำลังจะตื่นนอนนะคะเห็นเหมือนเป็นก้อนใหญ่ๆดำๆมันขึ้นมาจากกลางอก<ม>แล้วโน ล, ล่าสุดที่เห็ น, ม, นมันเหมือนมันบีบคั้นนะคะหลวงพ่อซึ่งเราก็ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไง อีกสภาวะหนึ่งก็คื อ, อปกติเวลาฟังหลวงพ่อพูดแล้วเวลาเราขำ่มมาค่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นคนอื่นที่ขำเสียงที่หัวรอองมาก็ไม่ใช่เสียงเราแต่ล่าสุดที่เห็นคือมันย้อนกลับไปดูค่ะหลวงพ่อว่าที่เราหัวรอ้องที่เราขำเนี่ยมันเกิดจากหูได้ยินเสียงที่หลวงพ่อพูดแล้วก็มันมาตีความว่ามันตลกเราก็เลยขำขึ้นมาแต่พอเราเจอสภ า, สภาวะนี้ค่ะ อยู่ๆน้ำตามันก็ไหลออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรอืกับอีสภาวะคือเมื่อเช้าเดินจงกรมแล้วก็พอเดินเดินเนี่ยเราก็เห็นว่าจิตมันคิดมันเห็นจิตเป็นสองตัวตัวหนึ่งคือจิตที่กําลังคิดอยู่อืมกับอีกตัวหนึ่งคือจิตที่มันไปเห็นน่ะคะ่ะนี่คือสามสภาวะที่สกาบเรียหลวงพ่อค่ะถูกแล้วล่ะภาวนาไปภาวนาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละ ย, ยังมีจิตตัวหนึ่งแสดงตัวหนึ่งดู อย่างตัวหนึ่งคิดตัวที่คิดเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกเป็นตัวสังขารมันคิดเป็นตัววิตตบทางานจิตเป็นคนรู้นแต่จิตเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาทีแรกเป็นจิตคิดต่อมาเป็นจิตรู้ว่าคิดเนี่ยเป็นจิตคนละดวงกันนะเกิดดับไปเรื่อยๆแล้วที่พูดมาทั้งหมดนั้มันเรื่องปกติภาวนาแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ อันที่สองที่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายเจะระทบแล้วส่งสัญญาณเข้ามานั่นเป็นวิถีจิตจิตเป็นทํางานอย่างนั้นแหละก่อนที่มันจะปรุงสุขทุกข์ดีชั่วอาศัยการกระทบอารมณ์แล้วก็มีจิตดวงหนึ่งส่งสัญญาณตามมองเห็นรูปเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วจิตดวงหนึ่งส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีจิตดวงหนึ่งพิจารณา ตีความว่าสัญญาณนี้คืออะไรมีจิตอีกดวงหนึ่งให้ค่าว่าอันนี้ดีไม่ดีนะแล้วก็เกิดจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วขึ้นนี่จิตมันทำงานต่อกันเป็นสเต็ปไม่ใช่จิตดวงเดียวนะจิตน้นเกิดดับต่อเนื่องกันทียิบเลยทำงานเป็นช็อตชอตชอตชตนะก็อนั้นเราเห็นก็เห็นถูกแล้วละ่ะที่พูดมาถูกทั้งนั้นแหละที่น้ำหูน้าตาร่วงเนะี่ยเพราะมันเกิดปิติ ทำไมเมื่อก่อนไม่เคยเห็นโง่องน่นะต้ตอนนี้มันเห็นแล้วมันเกิดปิติไม่จําเป็นต้องเกิดเสมอนะนานๆเกิดที่ที่ภาวนามาก็โอเคไปทําต่อจุดที่ยังพลาดคือจิตไม่ถึงฐานนะจิตไม่ตั้งมั่นจริงขนาดนี้ยรู้สึกไหมจิตอยู่ข้างนอกอ้าวคนต่อไปคุณหลวงพ่อค่ะลวข อ, ขอาการบ้านค่ะหลวงพอ่อหนูฟุ้งเก่งหนูรู้ไหม เราฟุ้งซ่างเก่งแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปานะพามันคิดพุดโทโธทำโมสังโฆไปท่องไปเรื่อยๆท่องในใจท่องเป็นไหมทําไปพุโทโธทำโมสังโฆไปเรืนะ่อยๆแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปาก็ให้มันมาคิดพุดโทโธทำโมสังโฆนี่บางคนหลวงพ่อให้พุโทโธตัวเดียวของเราต้องสามพุโทโธอย่างเดียวเอาไม่อยูนะ่แต่มันฟุ้ง นิบัติมาได้พักหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจิตชอาไปข้างนอกค่ะอืมดีที่รู้ถ้ารู้ว่าจิตไปข้างนอกจิตจะกลับเข้ามาเองไม่ต้องดึงคืนนะให้แค่ร่วมหลงไปแล้วรู้ว่าหลงแล้วมันมันจะเกิดรู้ขึ้นมาไ่ทำอีกไปฝึกบ่อยๆฟุ้งซ่านเก่งมากเลยค่ะเห็นด้วยแล้วก็ บางทีพอตอนนั่งสมาธิอะค่ะจำรู้สึกตัวตลอดเวลาว่ามั น, ไ ป, นออมไปข้างนอกอะค่มรู้ว่าไปข้างนอกถ้ามันไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะรู้ท่านจิตไปเรื่อยๆ เ, เป็นช็อตๆไปเรื่อยๆจิตไปข้างนอกก็รู้จิตไม่ชอบที่ไปข้างนอกก็รู้เนี่ยรู้เป็นช็ดตๆไปเรื่อยๆนะดูจิตก็ดูกันอย่างนั้นไม่ใช่ไปนั่งจ้องเพ่งตัวจิตให้นิ่งๆอยู่นะอันนั้นเรียกว่าดูไม่เป็นอย่างนั้นเรียกเพ่งจิตไม่ใช่ดูจิต ดูจิตดูเป็นชดอ๋อด็อกเตอร์ว่าไปมันจ้าอยู่ข้างนอกค่ะถูกแล้วทำไงดีก็เลยนั่งดูเฉยๆแต่มันก็อดทาไม่ได้ก็หายใจไปสิพุทโธไปหายใจไปทำอะไรไม่ถูกก็ทำสมถะนี่หลักของเรามีถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำสมถะ มันมีงานให้ทำตลอดไม่มีหรอกเพราะว่าว่างว่างว่า ง, างไม่มีอะไรทำใครจำเป็นเจอคลุ่ยกับหลวงพ่อเขาจำเป็นบ้ามาการค่ะหลวงพ่อคือฟุ้งซานเก่งม า, าหนูใช้ได้นะโมหะ้ดีค่ะดีที่เห็นนะค่ะ ที่ภาวนาอยู่ถูกแล้วล่ะค่ะอยู่ที่การสะสมของเราแล้วค่ะเรียนรู้มันไปเรื่อยๆเห็นไหมจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะนั่นแหละมันเห็นแล้วน ะ, ะดูไปเรื่อยๆจนใจมันยอมค่ะใ้ไปทำต่อไปแหรอคะอืมค่ะนี่อยู่ติดกันนั่นแหละนมัสการค่ะหลวงพ่อถึงเต้นเมืกอค่ะหนบัติบัติจากซีดีค่ะ อยากให้หลวงพ่อดูว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนเห็นก <mod> ิเลสไหมวันวันหนึ่งเห็นค่ะเยอะไหมเยอะค่ะเก่งภาวนาถ้าเห็นกิเลสก็ใช้ได้แล้วล่ะถ้าภาวนาแล้วรู้สึกไม่มีกิเลสเลยจิตว่างใช้ไม่ได้ต้องนั่งแก้กันนานไปรู้ทันไปกิเลสเกิดก็รู้กิเลสดับไปก็รู้เห็นไหมกิเลสเกิดได้เองเอากิเลสนี่แหละมาทํากรรมฐานกิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ฝึกไป ส่วนคนแรกอ่ะจิตมันหลงไปแล้วจี้นี้เห็นไหมนั้นเราพุโทโธไปหายใจไปนะเราจิตหลงแล้วรู้นี่ก็รู้ก็ทันกิเลสไปค่ะนัการหลวงพ่อค่ะคือช่วงที่เห็นตัวฟุ้งซ่านแรงแล้วก็เยอะมากนะคะหลวงพ่อยกมาอย่างเงี้ยนักสการหลวงพ่อนะคะคือช่วงที่เห็นตัวฟุ้งซ่านบ่อยแล้วก็แรงมากแล้วก็มันดูไม่ไม่ทันนะะหลวงพ่อมันแช่อารมณ์มัน พูดโทไปโทช่วยใช่ไหมคะเอ้าช่วยเอาสมถะมาช่วยใจมันฟุ้งไปบางทีดูลมมันหนึ่งไม่ไม่ไม่ไมดูลมระวังมันเคลิ้มไปในลมนะจิตมันไหลไปในลมเอาแบบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรดีกว่า<ะ>ดีกว่าลมเปล่าๆ<ะ>ดูลมเฉยๆบางที่เอาไม่อยู่แล้<ะ>ฟุ้งแรงแล้วมันแช่อยู่นานมากเลยมันมันจมไปนั้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเร<ะ>ื่อยๆ ต้องเพิ่มเติมเลไหมหลวงพ่อต้องปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมนะทำอย่างนี้ทําทั้งวันเลยครทำทั้งวันใช่ไหมคนะมาส ก, การหลวงพ่อเวลาโมโหก็จะเหมือนรู้สึกว่าโมโหให้รู้ว่าโมโหแต่กายข้างนอกรู้สึกเหมือนนิ่งๆยกใหม่แบบนี้ห น, นะหน่อยนะหลวงพ่อแก่แล้วไม่ค่อยได้ยินอ่ะเหมือนเวลาโมโหก็จะรู้สึกว่า โมโหให้รู้ว่าโมโหแล้วเหมือนกายข้างนอกมันก็นิ่งๆแล้วรู้สึกเหมือนว่ามันไม่ใช่ตัวเราอา อ, อถูกแล้วเนี่ยที่จริงก็คือมันไม่ใช่ตัวเรามาแต่แรกแล้วเราไปคิดตู่ว่าเป็นตัวเราพอใจมันมีสมาธิขึ้นมานะโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยจิตใจจะตั้งมั่นขึ้น ม, มนมีสมาธิขึ้นชัวน่วขณะแล้วตอนนั้นะถ้ามันไปดูอะไรมันจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดแหลนะนะนี่เผอิญมันย้อนไปดูกายไม่เห็นกายไม่ใช่เรา ถ้ามันย้อนไปดูจิตก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราเหมือนกันนะเหมือนถ้าจิตเรามีสมาธิตั้งมั่นถูกต้องแล้วนะมันไปเห็นอะไรเข้าอันนั้นอนะ่ะมันจะไม่ใช่เรานะทาถูกเราละไปดูบ่อย พอใจเราเกิดสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาไ ม, ไ, ไม่หลงไปไม่ไหลไปใจตั้งมั่นไปดูตัวไหนตัวนั้นก็แสดงความไม่ใช่เราเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดอ่ะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อยกมาอย่างนี้รนกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมไม่ได้มาหาหลวงพ่อนานมากแล้วนะคะทีนี้มาเที่ยวนี้เนี่ยโยมก็เลยอยากจะมา ถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่โยมได้เจอมาเนี่ยมันใช่สิ่งที่โยมคิดไว้หรือเปล่าคะคือปกติโยมจะเป็น ส, สมัยก่อนปกติโยมจะนั่งสมาธะแล้วจิตมันจะรวมเป็นสมาธินิ่งๆอยู่ซึ่งหลวงพ่อมักจะพูดว่าการสมาธิแบบนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับการจเจริญวิปัสสนามันควรจะเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นตั้งแต่นั้นมาก็เลยสงสัยว่าจิตตั้งมั่นมันเป็นยังไง ก็เลยพยายามที่จ ะ, ะศึกษาโดยฟังจากคลิปจากหลวงพ่อแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้อะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จนกระทั่งเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนั่งรถอยู่แล้วมองออกไปที่นอกหน้าตา่างมองอยู่มองอยู่สักพักหนึ่งกลไกในร่างกายมันนิ่งเลยค่ะทั้งๆ ท, ที่เลืมตาอยู่นะคะมันนิ่งนิ่ง แต่ภาพต่างๆเสียงต่างๆเนี่ยมันยังรับรู้อยู่ภาพมันวิ่งเข้ามาหาเสียงมันวิ่งเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลาแต่ช่วงระยะเวลาตรงนี้มันแป๊บเดียวไม่นานแล้วหลัง จ, จากนั้นมันก็นสมาธมิมันก็เริ่มคิดเริ่มอะไรต่อคือลูกโยมอยากจะถามว่าอันนี้คือจิตตั้งมั่นใช่ไหมคะใช่จิตมันมีสมาธิขึ้นมานะแต่มันไม่ต้องตั้งขนาดนั้นทุกทีหรอกนะ ไอ้ยานั้นมันจิตรวมลงไปละวแต่ตอนตอนหลังก็ไม่เป็นแล้วอมันไม่ค่อยเป็นหรอกเห็นไหมจิตรวมพยายามทาก็ทําไม่ได้เอาอย่าไปอยากอยากก็ไม่เป็นจิตตั้งมั่นง่ายกว่านั้นะไม่ต้องถึงขนาดจิตรวมเข้าไปขนาดนั้นหรอกจิตตั้งมั่นก็ตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปไหลมาเห็นจิตที่ไหลไปไหลมาไหมเช่นมันจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดถ้าเราเห็นจิตที่วิ่งไปดู เราก็เกิดจ <heit> like ิตตั้งมั่นถ้าเราวิ่งไปเห็นจิตวิ่งไปฟังเราก็เกิดจิตตั้งมั่นถ้าเราเห็นจิตที่วิ่งไปคิดเราก็เกิดจิตตั้งมั่นเะฉั้นจิตตั้งมั่นเกิดง่ายส่วนจิตที่ว่านั้นอ่ะเป็นจิตเข้าสมาธินเอาแต่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นใช่ไหมคะเออมันมันก็ตั้งแหละะแต่ว่ามันตั้งได้หลายดีกรีแต่ตอนช่วงนั้นก็คือมันมันก็ไม่คิดไม่อะไรเลยอ่นะคะ แต่เพียงแต่เห็นภาพมันวิ่งเข้ามาหาเอแล้วก็เสียงอะไรมันก็วิ่งเข้ามาหาแยกไปหมดเลยอะค่ะนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ใจมันเฉยคนะใจมันเข้าสมาธิลึกไปพอสมาธิลึกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจก็ช่วยเฉยนะค่ะอันนั้นเจริญปัญญาลําบาก ะ, ะจิตตั้งมั่นอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยดีเช่นจิตมันหลงไปดูรู้ทันมันก็ตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะ หลงไปฟังรู้ทันมันก็ตั้งขึ้นโช่วขณะหลงไปคิดรู้ทันก็ตั้งโช่วขณ ะ, ะตั้งแล้วก็ไหลตั้งแล้วก็หลงตั้งแล้วก็หลงสลับไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดเห็นจิตตั้งมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปหลงไปก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเสมอกันอขอบพระคุณมากค่ะถ้าเราไปเจอจิตที่ทรงสมาธิตัวนั้นเข้ามันจะอยากได้จะอยากได้ขึ้นมาอีก นี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าหน ย, ยกมือไว้กรรมนรมาสการค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูโทรสะดูอะไรนะโทรสะค่ะเออเห็นไหมเห็นค่ะเยอะไหมเยอะเออดีแล้วหนูรู้สึกไหมถ้าเราเห็นโทรสระบ่อยๆจิตเราดีขึ้นใช่ค่ะเห็นไหยง่าย ไม่เห็นจะต้องไปล้กิเลสตรงไหนเลยมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสแค่นั้นจิตก็ดีแล้วใช่แล้วก็เหมือนกับว่าอยากมีเหมือนเอาเรื่องเอาเราวกับคนอื่นน้อยลงหนูถือไม่ให้ตรงปากค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าแบบจะไปเอาเรื่องกับคนอื่นน้อยลงใช่ก็ไม่โกรธแ ล, วล้วจะไปเอาเรื่องใครล่ะค่ะคราวนี้หนูจะบริกรรมเมตตาคุณนั่งอรหังเมตตาได้ไหมเจ้าค่ะได้บริกรรมไปเป็นเครื่องอยู่นะ บริกรรมไปเมตตาเมตตาผู้นางอรารหังเมตตาหนูไปแต่งใหม่นี่วะกี่แต่งอะไรก็ได้ใช้ได้ทั้งนั้นนะบริกรรมํำไหนก็เหมือนกันหมดแล้วเจค่ะแล้วมีอะไรที่ต้องไปเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะอย่าโลบนะอย่าอยากได้ผลเร็วนะของหนูตอนนี้อยากได้ผลเร็วละไปทำอีกไป จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นี้จบละไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องห้ามจิตมีโทสะอะไรเงี้ยไม่ต้องห้ามมีก็มีมีแล้วรู้เอานะี่น่นอยู่ท้ายห้องยกมือไว้เดี๋ยวคนอื่นเขาเอาไป มาสักกหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกคะ่ะว่ามาก็เหมาะกับการภาวนาแบบไหนอะคะหนูดูจิตเอาหนูจิตช่างคิดรู้สึกไหมจิตมันฟุ้งเก่งอยู่อืมค่คอยรู้ทันไปรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอะ่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะดูไปเรื่อยๆถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์จะเพิ่มพลังของจิต ทำทุกวันน ะ, ะใช้ได้อยู่ที่ทำอยู่แต่สมาธิมันอ่อนไปขอคุณค่ะนี่นั่งเก้าอีกก้กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะอืม่ามาเอาย่อๆข้อเดียวเองคับหลวงพ่อไม่ได้ยิน พอเดี๋ยวเองค่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยจิตเขาไม่สู้เลยเนียเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่สู้ก็จมไยในความทุกข์ก็เท่านั้นเองแล้วไงอะ่ะก็เคยมั่นใจสิ่งที่หลวงพ่อเทศเมือ่อตะเกียมั่นใจมาเต็มร้อยแต่ตอนเนี้ยจิตเขาไม่สู้เลยฉันก็ไม่สู้ก็ต้องจมไปในความทุกข์นะไม่รู้จะทํายังไงเพรนเหมืพอาาเรีย น, <ขอ S 1> นตาหลวงพ่อค่ะมันเหมือนคนตกน้ําอ่ะ ท้อใจไม่สู้เลยไม่ไหวน้ำก็จมอะ่ะเราจะปล่อยให้จิตนี้จมลงไปเรือสู้มาตลอดนะคะ่ะหลวงพ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงช่วงนี้มันไม่สู้เฉยๆนะคะหลวงพ่อใจมันท้อแท้เก็ให้รู้ว่าท้อแท้นะแต่ปฏิบัติไม่เลิกนะไม่เลิกเราจะทำหลวงพ่อตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเที่ยงคืนนะคะอืมดีเนี่ยแสดงว่าแก <laughs> แล้วก็มันก็ไม่นอนอีกแล้วตื่นมาตีหนึ่งเที่ยงคืนยี่มาง่วงอีกทีตอนเช้ามืดมั น, ม, นมันไม่ง่วงแล้วครับหลวงพ่อมันภาวนาทั้งวันเลยอ่แต่ทําไมจิตมันถึงไม่สู่ถึงยอมแพ้เมตตาหลวงพ่อช่วยกระตุ้นเรียกยายป้าเก็บผักสักคำได้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อเจริญเมตตาไว้จิตมันมีโทสะแทรก มันมีโทสะแล้วก็มันฟุ้งซ่านแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นแหละไปเจริญเมตตาไปบริกรรมไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาไปบริกรรมไปเรื่อยๆอสมาธิ ม, มันตกอยู่ที่ไหนมาละกาันค่ะหลวงพ่อ เออจะมาส่งกันบ้านค่ะเมื่อค้าที่แล้วเดี๋ยวขอให้หลวงพ่อเห็นหน้าก่อนอาว่าไปเมื่อเมื่อค้าที่แล้วที่มาก็คือฝูงค่ะแล้วหลวงพ่อก็ให้ไปท่องพุโทโธอืมคราวนี้พอไปท่องพุโทโธก็มันก็ไปไปประมามันก็ไม่ไหวหนูก็เลยต้องมันเป็นยังไงไม่ไหวคือมันหมดุดมีดอืมมันจะมีอาการนิดนึงแล้วก็ก็เลยไปพิจารณาก็เลยกายว่าตัวเองมาพิจารณากายพิจารณากายก็ใช้ได้ พอหนูพิจารณากายหนูไปเห็นตัวเองว่าเป็นเป็นดินเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองมันนิ่มๆก็เลยคือคือทุกข์ก็จะมีแบบบางทีก็พิกพิกสองอย่างที่ก็เห็นเห็นตัวเองเป็นดินแล้วก็แล้วก็ฟูแล้วก็กลับมาเป็นดินอีกรอบหนึ่งก็ก็เลยก็เลยไปไปมาก็มาพิจารณาปิดากายตัวเองอะค่ะแล้วก็เวลานั่งดูบางสิ่งบางอย่างจะเห็น เห็นจิตมันวิ่งออกไปอืมแล้วก็ก็เลยรู้ว่าคือไม่ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันบางทีมันก็ดึงค่ะเพราะว่าหนูก็ยังติดอยู่ตรงนี้อยู่ค่ะอืมดีที่รู้ว่าดึงก็พอดึงกลับมาแล้วมันก็ก็อึดอัดใช่ต้องอึด น, นัดก็ประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อไปทําอีกไปดูกายไปนะถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็พิจารณากายไป มันก็อันเดียวกันแหละถ้ากลายเป็นก้อนดินใช่ไห ม, ไมเป็นหลงรักอะไรก้อนดินกลาวนวัสดการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อไม่เห็นน่ะยื่อยืดตัวให้หลวงพ่อดูหน่อยอ้ว่าไปเราปฏิบัติตามหลวงพ่อมาห้าปีแล้วนะคะเขาถูกอยู่อ่าก็ดูว่ากใจทํางานได้เองค่ะนั่นแหละทําถูกแล้วล่ะ ขอเมตตาการบ้านหลวงพอ่อขอการบ้านจากหลวงพ่อคะ่ะไปดูอีกทำถูกแล้วนี่ทำถูกแล้วก็ทำบ่อยๆนะจิตใจหนูก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วดูออกเปล่าดูออกคะ่ะนั่นแหละดีเราไม่ได้มุงเอาดีหรอกนะมันดีเองเป็นผลปล่อยได้ฝึกรู้สึกตัวไปดูกายดูใจของเราไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้อนะถึงเวลากลับบ้านไปเชิญกลับบ้าน